ใช้เวลา9เดือนสร้างอาคารพระพุทธองค์กับพระสงฆ์ได้สวรรค์เฉลิเฉวยและฉันพระพัตยาประกระยาหารที่นางที่บุพผาลามของนางวิสาขาแต่นี้พวกเราสร้างโบสถ์ขึ้นมาก็เพื่อทําสังฆกรรมของพระสงฆ์พระสงฆ์ในวัดนี้หรือในที่อื่นก็ตามจะมาลงอุโบสถสังฆกรรมเราจะมาบวชพระบวชหน้า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 เพราะพุกทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราที่ท่านแนะนำสั่งสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลือกพวกกิตภาวนานะอยงสายหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาหลวงตามหาบัวหลวงปู่เทศหลวงปู่ต่างๆที่ท่านอยู่ในป่าตรงพงไพยอย่างหลวงพ่อนี่กําเถอะนะหลวงพ่อกำมั่นใจเกินพันเหือไม่ใช่ร้0ยเปซนะลูกหลานนะตายแล้วเกิดพอหลวงพ่อได้นั่งภาวนา